ระหว่างที่จอมพานยืนกัดริมฝีปากกรีตาเหมือนจะใช้การใคร่ครวญอยู่เชสฐาก็หันมาถามว่าคุณจะเอาอยัางไง ร, ระพินผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดคุณชายคุณชายยานและคุณหญิงกลับไปที่พักที่แคมป์สิ ก, ก่อนเถอะครับเรื่องนี้ขอให้เป็นภาระของผมเองคืนนี้ผมกับเกิดเพียงสองคนจะรองตามดูสำหรับศพคนของเราเชื่อว่าคงจะพบแน่เขาพูดเคร่งครึม ให้ผมกับเชษฐาไปกับคุณด้วยดีกว่าชัยยันพูดพ้องออกมาตามนิสยัยแต่เชษฐาพูดอย่างมีเหตุผลว่าถึงแม้เราจะเป็นนายจ้างและคนที่ถูกมันลากเอาไปจะเป็นลูกหาบก็ตามแต่เราก็ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของเราด้วยที่จะต้องจัดการกับไอเสือตัวนี้ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของคุณคนเดียวผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วคุณรพินเราจะยังไม่ออกเดินทางหรือทาอะไรทั้งสิ้น ถ้าเรายังปราบไอ้กุดไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแล้วแต่คุณถ้าคุณคิดว่าผมและชัยยานติดตามไปกับคุณด้วยจะทำให้เสียผลเราก็ยอมจะปฏิบัติตามคำสั่งแต่ถ้าไม่ขัดกันในข้อนั้นปลดให้เราไปด้วยดีกว่าผมเองก็เคยตามเสือกินคนมาบ้างแล้วเหมือนกันตกลงครับถ้างั้นเราจะเริ่มตามกันเดี๋ยวนี้เลยแต่เขาหันมาทางหม่อมราชวงดาลินยังไม่ทันจะพูดอะไร หญิงสาวก็สวนขึ้นมาเสียก่อนสั้นๆให้ฉันตามไปด้วยคนเป็นครั้งแรกที่พี่ชายหันไปปรามน้องสาวด้วยคาพูดที่เฉียบขาดจริงจังว่าน้อยต้องเชื่อพี่สักครั้งกลับไปนอนเสีดีกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเกะกะห่วงหน้าผวงหลังเสียเปล่าๆและเสี่ยงโดยไม่จำเป็นมันกลางคืนเสียด้วยดารินพยักหน้ายอมเชื่อฟังคาปราบโดยดี ในเวลาฉุกเฉินเช่นนี้ดูหล่อนจะเข้าใจอะไรได้ดีอยู่บ้างเหมือนกันไม่ดื้อดึงทําให้ทวงอะไรนะักระพินสั่งให้เกิดนําหญิงสาวและเจ้าโป่งกลับไปส่งที่แคมป์แล้วให้กลับลงมาใหม่ก่อนที่ดารินจะพระไปเขาก็ส่งไรเฟิลของเขาที่ถือติดมืออยู่ไปแลกลูกซองแฝดของหญิงสาวโดยฝากให้ถือไรเฟิลกลับไปไว้ที่แคมป์ด้วยคุณหญิงบรรจุลูกอะไรไว้ครับโอโอบักทั้งสองลำกล้อง ขอบคุณครับถ้าบุญคํากับจานที่เราส่งไปให้เอาไปเอาบัวกลับมาถึงแคมป์คุณหญิงกรุณาบอกเขาด้วยว่าให้อยู่เฝ้าแคมป์ไม่จะเป็นต้องตามออกมาแล้วก็ให้แง่าสายคอยระวังสุมไฟหน้าเต็นท์อย่าให้มอดแง่าสายคงจะเป็นเพื่อนคุณหญิงได้อย่างดีจนกว่าพวกผมจะกลับมาแล้วก็โปรดอย่ากังวลวิตกอะไรเลยนอนให้หลับเสียดีกว่าคุณคิดว่าฉันจะนอนหลับเสือร่างเอาคนของเราไปกินคนหนึ่ง ฉันถูกทิ้งให้เฝ้าเต้นคนเดียวโดยมีเพียงแค่งไงซายเป็นเพื่อนดารินพูดแล้วก็ผระออกเดินกลับขึ้นไปยังบริเวณแคมป์พร้อมกับเกิดและเจ้าปงและพินหักลำกล้องแฝดซาวเออร์ที่ขอแลกมาจากหญิงสาวออกมาตรวจดูกระสุนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งพบว่ามันเป็นลูกของเลมิงตันแบบโอโอบั o uck, ซึ่งบัจจุลูกตราบ9เม็ดตรงตามที่ดารินบอกไว้ก็พอใจหักกลับคืนเข้าที่ พอเกิดย้อนกลับมาสมทบอีกครั้งภายหลังจากส่งดารินเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มนำออกแกะรอยเจ้ามิตรดยูแห่งไพรกว้างโดยมีเชษฐถาชัยยันและนายเมยหัวหน้าลูกหาบตามมาอย่างกระชั้นชิดทั้งหมดใช้ไฟฉายเดินทางขนาดแปดท่อนส่องสำรวจ ด, ดูตามรอยเลือดที่หยดเรียไปเป็นระยะและร่องรอยของศพที่ถูกลากไปกับพื้นซึ่งทาให้สังเกตเห็นได้ชัดสะดวกในการติดตามยิ่งขึ้น ระพินกับเกิดตรวจตามรอยและคำคืบหน้าไปส่วนเชษฐากับชายยานส่องปลาดไปตามละแวกใกล้เคียงทุกคนร้วนใช้ปืนลูกซองทั้งสิ้นซึ่งเป็นปืนที่อํานวยผลอย่างที่สุดในการยิงกลางคืนและสําหรับระยะกระทันหานจุกกระหุกโดยไม่จําเป็นจะต้องใช้ศูนย์คํานวณจากระยะเวลาเกิดเหตุซึ่งห่างการเพียงไม่เกินสิบนาทีเป็นอย่างมากกับการที่เริ่มต้นออกติดตามระพินเชื่อมั่นว่าอย่างช้าภายในไม่เกินชั่วโมงข้างหน้านี้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 เสียงเชษฐาพึมพำเบาๆขณะที่ส่องไฟสำรวจไปรอบๆชายยานเห็นพานใหญ่ใายไฟกลาดไปในระยะห่างอันเป็นภูมิประเทศทึบรอบด้านก็กระสิบถามคุณลังเลอะไรหรือผมไม่แน่ใจว่ามันจะบุกขึ้นสูงต่อไปหรือว่าจะลากอ้อมไปทางริมห้วยนี่รอยมันหมดชะงักลงแค่นี้ระพินตอบเบาๆแล้วบอกให้เกิดขึ้นไปตัวดูทางด้านบนตนเองวกตามลงําห้วยแห่อีกครั้ง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 สองสหายมองดูหน้ากันชายยันพยักหน้าเอาว่าคืนนี้แกเฝ้ากับคุณละพินก็แล้วกันพรุ่งนี้ฉันกับเกิดจะมาเปลี่ยนเวรเชษฐาส่งมือให้จับตกลงคืนนี้แกกลับไปนอนให้สบายที่ก่อนเถอะละพินดีดนิ้วเรียกเกิดกับเมยเข้ามาสั่งความแล้วให้ทั้งสองนำชายยันเดินทางกลับไปยังแคมป์เมื่อพวกนั้นแยกลงห้วยเดินกลับไป เขากับเชษฐาก็ช่วยกันสำรวจหาที่นั่งซุ่มและหาลือกันอีกครั้งระผิดงัดเชือกร่มที่แขวนติดเอวมาออกมาผูกขาศพไว้ปลายข้างหนึ่งไปผูกไว้กับโคนต้นไม้ขนาดขาวอ่อนการไม่ให้ไอ้กุดหรือเสือตัวอื่นๆมาคาบศพรากเพนหายไปได้โดยสะดวกเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องติดเชือกที่ผูกมัดไว้พอจะปร ะ, ปประวิงเวลาจังหวะชะ ง, งักให้ยิงได้ทันเชษ ฐ, ฐาเลือกได้โคนไม้ใหญ่ขนาดสิบคนอบต้นหนึ่ง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 เพราะพบรอยที่ริมลำธารและผ่านของผมสองคนก็เห็นมันชัดๆทีเดียวพวกนั้นเพิ่งจะมาบอกผมเอาในตอนข้าต้องฟาดมันให้อยู่ระพินถ้ายังไม่ได้ตัวเรายังไม่ได้เดินทางต่อเชษฐาย้าหนักแน่นอีกครั้งเมื่อชายยานเกิดได้เมยกลับมาถึงแคมป์คนทั้งหมดยังไม่มีใครคิดที่จะหับนอนกันเลยสักคนเดียวไฟถูกก่อเรียงรายลูกสว่างโพรงรอบด้านผิดไปกว่าคืนก่อน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 แง่ายนั่งขัดสมาธิคอยเติมเชื้อฟืนเข้าไปในกองไฟดูเหมือนกำลังพูดคุยอยู่พอเหลือบมาเห็นชัยยันสาวเท้าสุบสบกลับมาเพียงคนเดียวก็ลุกขึ้นโดยเร็วสีหน้าของหญิงสาวยังอยู่ในความตื่นเต้นพร่านใจเป็นไงบ้างพบศพหรือเปล่าแล้วผ่านกับพี่ใหญ่ร่ะหลอนถามเร็วปือชัยยันยกแขนขึ้นป้ายเงือบนหน้าใบหน้าเดินเข้ามาซุดตัวนั่งบนโคถินเตี้ใกล้ วางปืนที่ถืออยู่พิงกับกองฟืนไว้เรนกาแฟจาัด ก, กาลงถ้วยพลาสติกขึ้นดื่มและถอนใจเฮือกเล่าให้หญิงสาวฟังอย่างละเอียดในการติดตามรอยไปพบศพลูกหาบเคราะห์ร้ายซึ่งเราพินกับเชษฐาคอยดักเฝ้าสร้างในคืนนี้โดยตกลงกันไว้ว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นผู้ผัดเวรไปเฝ้าแทนดารินหน่าซีดมือทั้งสองกลุ่มประสานกันติดอยู่ที่อกมันร้ายกาจหรือเกินชายยันครางอยู่ในลาคอภายหลังจากเล่าจบ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 คืนนี้พรานใหญ่กับคุณชายดักเฝ้ามันอยู่ทั้งคืนที่แคมป์นี้เห็นจะมีบุญคำนั่นแหละอาวุโสกอบเพื่อนฉันขอมอบหมายให้บุญคำดูแลควบคุมสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเจ้านายนอนให้หลับสบายเถอะครับไม่ต้องห่วงผมขอรับประกันเองถ้าไอ้กุดกำแหงเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้แคมป์เราหรือย้อนกลับไปที่ซากเป็นจบแน่ดีแล้วบอกผู้นั้นให้พักผ่อนหลับนอนกันสเสถ่ิด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 ผมบอกไม่ได้เหมือนกันครับนายหญิงไอเสือตัวนี้เหมือนจะมีผีคอยกระซิบมันอยู่ตลอดเวลามันกล้ากับพรานทุกคนได้ยกเว้นคุณลพินคนเดียวที่มันคอยหลีกหลบมาตลอดยังกับว่ามันจะจํากลิ่นคุณลพินได้ทีเดียวถ้ามันรู้ว่าคุณลพินดักอยู่มันก็ไม่เข้าเด็ดขาดมันอาถรรพ์ยังไงบอกไม่ถูกทีเดียวครับคุณลพินเองก็คอยตามมันมานานแล้วแต่ไม่เคยสําเร็จคลาดการบูดวิดบูดวิดทุกครั้งไป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 นั่งตากลมพักสงบสติจิตใจอีกสักครู่เหตุการณ์มันทําให้ฉันตื่นเต้นขวัญเสียไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีแง่ทรายนั่งเป็นเพื่อนอยู่นี่เธอไปนอนพักเสียไปพรุ่งนี้จะต้องตื่นไปเปลี่ยนเวรนเฝ้าแต่เช้าไม่ใช่เหรอชา ย, ยันพยักหน้าไม่กล่าวอะไรอีกถือปืนเดินดุมบุ่มหายเข้าไปในกระโจมพักดาลินหักกิ่งไม้แห้งเล็กๆที่ถือเล่นอยู่ในมือโยนเข้าไปในกองไฟ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 อ๋อดีนี่ตาพานใหญ่นั่นสั่งอะไรเธอเธอก็เชื่อฟังไปเสียหมดทุกอย่างชนิดเคร่งคัดทีเดียวนี่มิหมายความว่าเธอเห็นเขามีความหมายสําคัญยิ่งไปกว่าพวกชันสามคนที่เป็นเจ้านายโดยตรขงของเธอและทุกคนที่มากันนี่งั้นหรือแง่าสายมองขึ้นสบตาหม่อมราชวิงวงหญิงดาลินด้วยประกายตาแจ่มใสบริสุทธิ์โครงหัวช้าช้าอยู่เช่นเดิมหาไม่ได้ครับนายหญิง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 เขาอยากจะสูบบุหรีกระจัดความง่วงและความอัดอั้นเบื่อหน่ายแต่ไม่กล้าเพราะเห็นรพินพูดตามปกติเป็นคนสูบบุหรีจัดชนิดตัวต่อตัวซึ่งบัดนี้หลังจากสูบมวนสุดท้ายไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วก็ไม่ได้สูบอีกเลยพรานใหญ่ดูเหมือนจะอ่านความรู้สึกของเขาถูกชะโงกหน้าเข้ามากระซิบคุณชายยังงี่ไปพลางๆก็ได้ครับมีอะไรผมจะส ก, กิดปลุกเองไม่ต้องห่วง เชี่าหันมายิ้มให้ในความมืดมิดไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงผมก็ไม่มีทางจะหลับได้เวลาเท่าไหร่แล้วครับอีกส5บห้านาทีจะตีสองแล้วก็เงียบกันไปอีกเวลาจะผ่านไปอีกนานสักเท่าใดไม่ทราบได้เสียงความปลีปร้องแหว่ความสงัดลอยตามลมแววมาแต่ไกลครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบหายไป ครั้นแล้วต่อมาอีกอึดใจใหญ่ก็มีกลิ่นาสาบสางชนิดหนึ่งโชยมากระทบนาศิกประสาทเสียงเชษฐาขยับตัวและเอื้อมมือมาแตะแขนระพินคุณได้กลิ่นอะไรไหมอดีตนายพันโทหัวหน้าคณะเดินทางกระซิบเบาที่สุดครับจอมพานรับคำสั้นๆเชษดาจ้องหน้าในความมืดเหมือนจะถามก็ไม่เห็นระพินกล่าวหรือมีปฏิกิยาเช่นไรอีกนอกจากจะนิ่งสงบเฉย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 โดยผ่านแนวรำกล้องปืนของเชษฐาเพื่อให้เห็นศูนย์โดยถนัดชัดเจนดวงตาเรากับทัพทิมคู่หนึ่งแดงโชดสะท้อนแสงสวนตอบแสงไฟฉายแววออกมามันอยู่ทางด้านปลายเท้าของศพลูกหาบผู้ใช้เป็นเยื่อร่อแต่แล้วทันทีนั้นเองระพินร้องออกมาเร็วปืออย่ายิงเชษฐาก็ไวัยทายาดเป็นการวัยทั้งปสาวตาที่สังเกตเห็นดวงตาคู่นั้น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 กระโจนผ่าจากศพหายลงไปในลำห้วยมองเห็นได้อย่างถนัดว่ามันเป็นอีเห็นดงตัวเรื่องขนาดหมาพันอันเซเชียนทั้งสองถอนหายใจเฮือกออกมาพร้อมกันอย่างผิดหวังแล้วินดับไฟโรงในขณะที่เชิดฐารลดปืนมือยังสั่นน้อยๆด้วยอารมณ์ตื่นเต้นโอโ้โหผมเอ็กไซส์ไปหมดเลยมันทำเอาเสียเส้นเกือบกดตูมไปเส็จแล้วดีว่ายังเสียทัน ว่าอีเห็นตัวนั้นเห็นจะทำให้เราเสียพิธีเสียแล้วกังหัวหน้าคณะเดินทางคลางออกมาเ้ิยมพินเอื้อมมือมาตบล่เขาเบาๆคุณชายควบคุมภาษาสั่งงานได้ดีเหลือเกินครับผมยังนึกว่าคุณชายเบรกไม่ทันเสียอีกผมเองก็ตื่นเต้นไม่ใช่น้อยถ้าจะไม่มีหวังสําหรับคืนนี้หรือยังไงถ้ามันยังป้วนเปี้ยนห่วงอยู่ห่วงอยู่ถ้ามันยังป้วนเปี้ยน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 สูดลมหายใจเขาเต็มปอดสะระดแขนขาด้วยความเมื่อยขบและพักนั่งสูบบุหรี่คุยกันเบาๆบนโขดหินห่างจากศพอันเป็นเยื่อร่อเล็กน้อยตะวันเริ่มจะกล้าขึ้นเป็นลำดับพอแสงแดดเริ่มส่องพวกมแมลงวันซึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหนก็พากันบินหึงมาตอมที่กองเลือดทีศพหยอดไข่ขังไว้แลดูกระจุกขาวเต็มไปหมดหน้าขนลุกครึ่งชั่วโมงต่อมาก็มีเสียงกู่เรียกร่วงหน้าเข้ามาก่อน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 เกิดก็อยู่ชา ย, ยันก็อยู่น้อยขอเพียงได้นั่งดูอยู่ด้วยคนหนึ่งเท่านั้นมันเจไกลนักเชียวน้อยอยากเห็นตอนที่มันเข้ามากินเหยื่อและตอนที่มันถูกยิงหญิงสาวก็หันไปทางชายยันถูกล้องถ่ายรูปในมือขึ้นอนุญาติที่ฉันนั่งอยู่ด้วยคนเถิดนะฉันมีอันี่มาด้วยฉันจะจ้องถ่ายรูปอย่างเดียวเท่านั้นรับรองอีกครั้งว่าจะไม่ทาความยุ่งยากลาบากใจไร้เธอเหมือนเกิดหรือเกิดเลย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 ซึ่งติดอยู่ในซองเข็มขัดข้างเอวส่วนเกิดนั้นรพินสั่งให้ถือปืนไรเฟิล .357 S&S ของเขาสำหรับในกรณีฉุกเฉินอื่นๆทั้งสามรับประทานอาหารช้ามาเรียบร้อยแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องมีสเสบียงกลางอะไรทั้งสิ้นนอกจากกระติกน้ำซึ่งเกิดเป็นผู้สภายอยู่แล้วรพินเชษฐาและพวกที่มาจากแคมป์ทั้งหมดก็พระแย่เดินทางกลับมายัางแคมป์ที่พัก ภายหลังจากทั้งสามขึ้นนั่งห้างประจำเรียบร้อยแง่ท า, ายนอนเอาผ้าของม้าปิดหน้าอยู่ใต้เกวียนร่มเงากรางไหลร่มเงากรรางใหญ่หลังเต็นของคณะนายจ้างเมื่อระพินกับเชษฐากลับมาถึงแคมป์แง่ า, ายตื่นในเวลากลางคืนครับแต่จะหลับในเวลากลางวันถ้าหากมีโอกาสที่จะหลับได้ จอมพลานบอกในจ้างของเขาขณะที่มาหยุดยืนดูหนุ่มชาวดงอยู่ด้วยกันก่อนจะก้าวเข้าไปในกระโจมถ้างั้นก็ช่างเขาเถอะคนทั่วทั่วไปหลับในกลางคืนและตื่นในกลางวันบางขณะและก็บ่อยๆ อ, อยู่เหมือนกันที่เราต้องการคนที่หลับกลางวันเพื่อให้ตื่นกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้ผมชอบไอหมอนี่เสียจริงๆถูกชะตาพิรกแต่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจให้สนิทนักตามใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า หมร่วมเดินทางมหาวิบากกับเราในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์แท้จริงอะไรระพินว่าแล้วเขาก็บอกให้นายจ้างของเขากลับเข้าไปนอนพักผ่อนเสียผมจะปลุกคุณชายในราวเที่ยงครึ่งครับโปรดรับให้สบายเชี่าโบกมือให้แล้วก็เดินเข้ากระโจมไประพินเดินไปเอ็นตัวที่ซ้อโขดหินร่มรื่นตอนหนึ่งบุญคําก็นําเอาอาหารเช้าและกาแฟมาให้เขาจอมพลานกินอย่างรวดเร็วแล้วทิ้งตัวลงนอน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 พอใกล้เข้าไปและวพีนก็บอกให้แงซ า, ายกู่ให้สัญญาณร่วงหน้าเข้าไปก่อนตามธรรมเนียมเพื่อการความเข้าใจผิดมีเสียงกู่ตอบออกมาทั้งสามเดินตรงเข้าไปถึงก็เป็นเวลาเดียวกับที่เกิดชาัยยาันและดาลินตายลงมาจากห้างเงียบเป็นเป่าสากเลยมีแต่ห ม, มานายฝูงเบอร์เร์จะเข้ามาถึงศพเกิดเลยเอากิ่งไม้คว้างไล่ลงไปชายยันร้องบอกมาเอาละ ถึงผาดของฉันกับและพินอีกแล้วแกกลับไปพักได้เชษฐาพูดเบาๆทั้งสองฝ่ายพูดกันอีกสองสาคำก็เตรียมจะแยกจากกันแง่ท า, ายเดินตรวจบริเวณและมาดูที่ศพสีหน้าของหนุ่มชาวโดงเฉยเมยไม่มีปิติยาใดๆทั้งสิน้นเขายืนอยู่ใกล้ศพเหมือนจะพึมพำสวดอะไรเป็นการส่งวิญญาณของลูกหาผู้กาะร้ายลักษณะของศพเริ่มหน้าเกลียดหน้ากลัวเพิ่มขึ้น กำลังจะขึ้นอืดเพราะอากาศร้อนอบอ้าวและเต็มไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ของดงดิบทั้งพึ่งและมแมลงวันบินตอมหึงชายยานบ่นพึ่มเขาถูกพึ่งที่มีอยู่อย่างชุกชุมและมักจะชอบบินมาตอมโดยไม่เลือกคลานเข้าไปในคอเสื้อพอขยับตัวมันจะจะปัดมันก็เลยต่อยฝังเหล็กในเอาที่คอจนวมเป็นก้อนดาดินเองก็เมื่อยขบไปหมดไม่อยากจะขอนั่งเฝ้าอยู่อีกต่อไปเพราะความกลัวพึ่ง ถ้าอย่างไงแล้วคืนนี้ฉันขอมานั่งเปลี่ยนใหม่ขอนั่งกลางคืนมั่งเหอะชัยยันบอกเปยๆ์ๆแล้วพินยิ้มพยักหน้าลองดูก็ได้ครับถ้าสมัครใจคืนนี้ผมจะให้คุณชัยยันมานั่งกับบุญคำดูอีกครั้งแต่นั่งกลางคืนไม่มีผัดนะครับตั้งแต่ตะวันตกดินจนถึงสว่างเลยไม่เป็นไรหรอกแช่ถากับคุณก็นั่งมาเมื่อคืนนี้แล้วผมนอนสบายให้ผมเปลี่ยนมั่งดีกว่าเมื่อฝ่ายที่ลงจากห้างเตรียมจะกลับ และแง่ท า, ายเดินสมทบจะกลับไปด้วยจอมพรานก็เรียกไว้หนุ่มพเนจรชาวดงหยุดชะงักหันมาแกจะนั่งห้างกับเราด้วยไหมแง่า ย, ายแล้วแต่ผู้กองครับถ้าอย่างนั้นขึ้นห้างด้วยกันทกกล่าวชวนเพราะต้องการจะเอาใจเชิฐาซึ่งเขารู้ว่าพอใจเจ้าคนใช้ชาวดงผู้นี้เป็นพิเศษแง่า ย, ายเดินยิ้มกลับมาในขณะที่เกิดชัยยันและดาลิน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 ในกรณีที่มันกัดซากทิ้งไว้รพินบอกหม่อมราชวงเชษฐาจ้องไปที่ศพแล้วสายหน้าถอนใจเบาๆผมสมเพศศพของเอินเหลือเกินภาวนาอยากให้มันเข้าเสียโดยเร็วขืนช้าออกไปศพก็จะยิ่งขึ้นอืดเฟะสังเวชในตายัางบอกไม่ถูกความจริงเราควรจะจัดการฝังเขาเสียให้เรียบร้อยถ้าไมติดขัดที่ต้องอาศัยเป็นเครื่องล่อเฮอยังไม่ทันที่จะถึงลมช้างเลย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 และถ้าไม่อยากจะเป็นห่วงผมมากเกินไปนักให้แงซายนั่งคู่กับผมก็แล้วกันพรานใหญ่อึ้งไปนานถ้าผมกลับไปแคมป์โดยไม่มีคุณชายกลับไปด้วยถึงแม้จะมีแงซายนั่งเป็นเพื่อนก็ตามคุณหญิงดาลินกับคุณชายยานจะคิดอย่างไรมิตำหนิผมแย่ไปหรือหาว่าทอดทิ้งคุณชายให้เสี่ยงอยู่ตามลาพังเชื่อถาตบไหล่รลพินพร้อมกับยิ้ม ไม่เป็นไรหรอกหนะ้าผมรับรองว่าทั้งสองคนต้องไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนคุณบอกเขาตามเหตุผลนี้ก็แล้วกันถึงอย่างนั้นมันก็น่าเกลียดอยู่ดีแหละครับคุณชายยานคงจะเข้าใจได้ดีแต่สำหรับคุณหญิงดาลินคงจะเล่นงานผมแน่ๆเขาพูดพร้อมกับหัวเราะกร่อยๆก็ผมรับรองอยู่นี่ยังไงว่าจะไม่ให้ใครมาว่าคุณได้ทั้งสิน้นถึงน้อยจะเป็นเด็ก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 บอกมาเลยคุณต้องการให้ผมไปบตดเช่นไรบ้างเขาถอนใจเบาๆอีกครั้งยิ้มอย่างไม่ปลอดโปร่งใจนักจ้องหน้าเชาียถาแล้วหันมามองแงสายพูดว่าเอาละแงสายแกนั่งเป็นเพื่อนกุญชา ย, ยู่ได้ฉันจะกลับไปเพียงคนเดียวแต่จำไว้นะนี่คือคำสั่งไอ้กุญจะเข้ามาหรือไม่เข้าก็ตามจะมีการยิงหรือไม่ได้ยิงก็ตามและไม่ว่าจะโดยกรณีใดๆทั้งสิ้น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 ปืนของเชิดถาและแงา่ายอีกครั้งเห็นหนายจ้างผู้ทรงศัก์ของเขาคงถือรูปซองบรรจุห้านัดกระบอกเดิมและแงา่ายมีวินเซสเตอร์โรบาโบราณขนาดจุด4 4่4 4 0, แบบคาร์เวี่ยงอันเป็นปืนประจำมือส่วนตัวก็ถามว่าคุณชายจะใช้เบราวนิ่งกระบอกนั้นตามเดิมหรือครับผมคิดว่ามันเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการหวังผลเลิศโดยเสี่ยงกับการผิดหวังน้อยที่สุด ระยะขนาดนี้วิถีกระสุนยังไม่ทันบาลหรอกรวมกลุ่มดีนักถ้าไอ้ ก, กุดใส่เกาะเหล็กมาด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมไม่กล้าใช้ไรเฟิลบอกตรงๆว่ากลัวพลาดเหมือนคุณอมพลอีกจอมพรานหันไปทางแง่ทรา ย, ส, ายส่งจุด375 s จของเขาไปให้อ้าวแง่ทรายแกเอาไ อ, อ้นี่ของฉันไปแล้วส่งไอ้ปืนปัสตันสมัยอินเดียแดงของแกกระบอกนั้นไหมฉันฉันจะได้ถือกับแคม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 สระดคานเวียงออกมาสำรวจดูรู ก, กระสุนเพื่อความแน่ใจและจุ ป, ป่าโครงหัวกระสุนหัวตัดเหล่านั้นแต่ละลูกเก่าคร่ำคร่าเต็มทีไม่ค่อยจะน่าไว้วางใจนักแต่เงยหน้าขึ้นมองดูเจ้าของปืนถามยิ้มยิ้ ม, มต่อไปแกรับรองได้ไม่ว่าระหว่างที่ฉันเดินกลับแคมป์ท้ายกุดมันโผล่ออกมาทักทายระหว่างทางกระสุนของแกจะไม่ด้เงาสายมิตอบได้แต่หัวเราะเช่นเดิม ระพินก็ไม่ต้องการคาดค้านคำตอบอย่างไรเพราะเป็นการถามสับยอกพอจัดเตรียมตัวพร้อมก็ปีนลงจากห้างยกมือขึ้นแตะปีกหมวกส่งให้เชิฐถาขอให้โชคดีครับคุณชายผมจะมารับหกโมงเย็นอย่าลืมที่สั่งไว้เชิดายิ้มแตะปีกหมวกส่งตอบลงมาพรานใหญ่ออกเดินดุ่มตัดลงห้วยกลับมาอย่งแคมป์ที่พักเมื่อเขาย่างเหยียบเข้ามาถึงบริเวณ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 คุณบกพล่องแต่หน้าที่ตามสัญญาจ้างของเราเสียแล้วล่ะในพานระพินยักไหลขอไม่อยากจะถือสาหาความกับหญิงสาวพ ร, รุนิสัยดีเดินไปดินกาแฟดื่มพูดตำๆำนายจ้างท่านสั่งให้ผมกลับแคมป์เมื่อเป็นคำสั่งของท่านผมผู้เป็นลูกจ้างก็ไม่รู้จะขัดอย่างไรเหมือนกันดาดินกอดอกยืดตัวขึ้นหน้าตึงฉันเองก็เป็นในจ้างของคุณเหมือนกันและในขณะนี้ขอสั่งว่า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 เสียงกระสุนก็ระเบิดกึกกล้องสะถานไปทั้งป่าขึ้นนัดหนึ่งดังมาจากทางด้านห้างของเชษฐายังไม่ทันจะสิ้นกังวานเสียงนัดแรกนัดที่สองก็แผ่สนั่นซ้ำขึ้นมาอีกอย่างดืดเดือดไม่มีปัญหามันเป็นเสียงลูกซองชัดๆัดและจะต้องเป็นลูกซองกึงอัตโนมัติจากมือของหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราลิศดาลินอ้าปากค้างทุกคนก็ตะลึงกันไปหมดระพินร้องอุทานออกมาอย่างดีใจจนลืมตัว ไอ้กุดคุณชายซัดเข้าให้แล้วรวดเวร็วเหลือเกินพวกพ่านพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนที่พากันนั่งนอนอยู่ทั่วไปก็เพ่นฮือขึ้นยืนพร้อมกันหมดด้วยความตื่นเต้นยินดีส่งเสียงโห่ร้องกันลั่นทั้งๆที่ยังไม่รู้ผลต่างวิ่งกันพลานชายยันและดาดินเองก็ยิ้มออกมาได้หน้าแดงระเรื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยบัดนี้ลืมอเสียอย่างสนิทว่ากาลังทะเลาะอะไรอยู่กับพระพิน กระโดดเข้ามาจับมือชายยันเขย่าโดยแรงชายโยพี่ใหญ่ยิงมันได้แล้วดีใจจังหล่อนร้องเอ็ดยังลืมตัวทุกคนมีสีหน้าปิติยินดีเหลือที่จะกล่าวชายยันหันไปทางพรานใหญ่พูดเร็วปือเร็วคุณรพินเรารีบไปดูกันเถอะไปสิครับทั้งชายยันและดาลินวิ่งเข้าไปคว้าปืนอีกหลายคนก็พรูล้วนอยากจะตามไปด้วยกันทั้งหมดแต่รพินห้ามไวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง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 ขณะที่เดินเคียงรถพินไปอย่างเร่งรีบก็น่าจะอยู่นะครับลงได้ยินสองนัดซ้อนแบบนี้แต่ไปเดียวก็รู้ท่า ง, งานอุบายของแงาสายไม่เลวเลยพับผ่าสิไม่น่าจะเป็นไปได้ผมก็นึกไปไม่ถึงมาก่อนเหมือนกันถ้าเสียงปืนของคุณชายเป็นการยิงไอ้กุดตัวจริงทั้งเจ็ดคนรุดมาถึงบริเวณตั้งห้างภายในเวลาเพียงไม่ถึง20นาทีพร้อมกับกูเรียกเข้าไป และยังไม่ทันจะโผล่เข้าไปถึงก็ดียินเสียงเชษฐาตะโกนบอกกล้องมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นว่าระวังตัวยิงโดนมันทั้งสองนัดแต่มันไม่อยู่เพนหนีไปได้ทุกคนอุทานกันออกมาด้วยความตกใจระบียนกับชัยยันหันมาจ้องตา ก, กันแล้วเร่งฝีเท้าขึ้นอีกฝ่ายที่มาจากแคมแทบจะวิ่งตรงเข้าไปที่ห้างเมื่อมาถึงเชษฐากับแง่า ย, ายพากันตายลงมาจากห้างอย่างรวดเร็วและก่อนที่ทุกคนจะเอ่ยปากถาม หม่อมราชวงเชิฐาก็ชี้มือพูดะระล่ำละระลักมันโผล่ออกมาจากดงกระชิดทางด้านโน้นตัวขนาดม้าทีเดียวไอ้กุดแน่ๆพอคุณรัฐพินลงจากห้างกลับไปสักครึ่งชั่วโมงมันก็โผล่ออกมาเหมือนที่แง่สายพูดไม่มีผิดตรงเข้ามาที่ซากผมกำลังตื่นเต้นปลดเซฟปืนมีเสียงดังไปนิดมันเลยเพนนัดแรกผมสาบานว่ายิงถูกบริเวณตโพกด้านซ้ายอย่างจังจนมันปัดกลิ้งไปกับพื้น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 ผ่านพื้นเมืองของเขาพากันร้องออกมาอย่างกินดีภายหลังจากช่วยรับพินสำรวจรอยทิศทางไปของมัจจุราชแห่งไพรกว้างเราออกตามกันเดี๋ยวนี้เลยช้าอยู่อีกทำไมละ่ะชายยันพรองออกมาอย่างตื่นเต้นเดี๋ยวครับใจเย็นๆไว้ไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนเลยรับพินบอกด้วยน้ำเสียงเป็นปกติแล้วหันมาทางเชืฐาด้วยดวงตาเป็นประกายจับแขนในจ้างบีบผมว่าคุณชายนะัก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 แล้วนี่เราจะออกตามเมื่อไหร่หม่อมราชวงหญิงดาลินอดรนทนกระสับกระายอยู่ไม่ได้ถามออกมาแล้วพินชูบุรีในมือที่กำลังสูบอยู่ขึ้นสูบบุรีให้หมดตัวเสียก่อนครับเขาตอบเรีย บ, ยบแล้วหันมายิ้มกับแง่ทรายบอกว่าลูกไม้ของแกได้ผลดีมากแง่ทรายถ้าแกไม่แน่ขึ้นฉันก็ยังดาวไม่ถูกเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราถึงจะได้ตัวมันหรืออาจไม่มีโอกาสได้เลยก็ได้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 นัดที่สองผมก็รีบซ้ำส่งเดทออกไปอย่างนั้นเองแต่งงแง่ทายบอกว่าถูกทั้งสองนัดมันใหญ่เหลือเกินครับผู้กองถ้าเป็นเสือขนาดธรรมดาผมว่าอยู่กับที่แล้วไม่ลากขาหลังไปได้หรอกเพราะโดนกระสุนลูกปลายเข้าไปทั้งสองนัดม่านกระสุนก็ยังรวมกลุ่มอยู่ดีไม่ทันบานแง่สายพูดเบาๆก้มลงเก็บปลอกกระสุนโอโอบัคที่สัด จ, จากปืนของเชษฐาห่นกิ้งอยู่ใต้ห้างขึ้นมาพิจารณา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 เล้วปินลุกขึ้นยืนดีดก้นบุหรี่เหยียบดับเราจะไปกันทั้งหมดนี่หละครับดีเหมือนกันเราจะได้เห็นชัดกันทุกคนว่าการตามรอยเสือลาบากนั้นมันน่าตื่นเต้นเสี่ยงอันตรายเพียงไหนเตรียมตัวครับเราจะตามมันเดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วเขาก็ดีดนิ้วเรียกลูกน้องให้เข้ามารวมกลุ่มทั้งหมดนัดแนะสั่งความซุบซิบอะไรอยู่ครู่ก็หยิบจุดสามหแม็กนัมคู่มือขึ้นมาขยับลูกเลื่อนตรวจดูกระสุนในรางเพิง แล้วผักลูกเลื่อนเข้าที่ออกเดินแกะรอยนําไปโดยมีเชิฐาชัยยันและดาลินตามหลังอย่างกระชั้นชิดพรานของเขาอีสองคนคือเสยและจันทร์แยกเป็นหน้ากระดานออกไปทั้งซ้ายและขวาส่วนเกิดแง่ทายได้เมย อ, อันเป็นหัวหน้าลูกหาบเดินระวังอยู่เบื้องหลังรอยเสือสมิงที่สมสานเพ่นหนีไปสังเกตเห็นได้ชัดเจนทุกระยะในสายตาพรานอย่างระพิน บางแห่งก็กองโตแสดงว่ามันหยุดพักเกลียแผลที่นั่นแล้วก็กระเสือกกระสนต่อไปอย่างทรหยอันเป็นธรรมชาติของมันระพินแกะรอยไปอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนอะไรนักเขาตรวจรอยตามพื้นกวาดสายตาระมัดระวังสำรวจไปในละแวกรกทึบเบื้องหน้าหยุดใคร่ควเรเล็กน้อยแล้วก็คืบหน้าต่อไปไรเฟิลถือพร้อมในมือนิ้วแตะอยู่ที่ไกแต่ลํากล้องกดต่ํา45องศากับพื้น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 อันจะทำให้ทุรุผ่านเลยไปเสียถ้าเห็นตัวยิงได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมรพิน ห, หันมากระซิบบอกกับเชษฐาและชายยันแล้วเขาก็ชะงักกึกเมื่อเห็นหม่อมลัชวงศ์หญิงดาลินซึ่งหยุดยืนสอดสายส า, ายตาอยู่เบื้องหลังเขากำลังถือกล้องถ่ายรูปเตรียมพร้อมอยู่ในมือแทนที่จะถือปืนเหมือนคนอื่นหลอนมัวแต่กวาดสายตาอยู่จึงไม่ทันเห็นอาการมองพิพักพิพ้วนของเขา พรานใหญ่เป่าลมออกจากปากเบาๆแต่ก็ไม่ปิดปากผู้เช่นไรหันกลับไปพิจารณารอยเลือดตามเดิมบัดนี้ทุกคนมาหยุดยืนอยู่หน้าผงลกทึบที่สุดตอนหนึ่งริมไหล่เขาสูงชันซึ่งมีก้อนหินมหึมาคล้ายจะเป็นศิราจำหลักที่มนุษย์มาตั้งประดิษฐ์ไว้รอยเลือดสิ้นสุดตรงตรงตำแหน่งนั้นและมีรอยป่าลู่เป็นทางหายเข้าไปรพินทำสัญญาณให้เชษฐาดารินและชยยันหยุดอยู่กับที่ ตัวเขาเดินเกรยํสำรวจอยู่อีกอึดใจใหญ่เสรยจัน์และแงซายซึ่งแยกกันออกไปดูกันอีกคนละด้านก็เลี่ยงเข้ามาสมทบมันเข้าไปจนมุมอยู่ในพงนี่แน่ๆครับแต่เราไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าอาจนอนหมกตัวหลบอยู่ก็ได้เชษฐาชายยันและดาลินเคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มได้ยินคำพูโต้ตอบระหว่างเรพินและพรานของเขาอย่างถนัดและเข้าใจดี คุณแน่ใจหรือว่าขณะนี้มันอยู่ในนี้เชิดถาเอ่ยถามขึ้นรบพินจ้องเข้าไปในพงทึบอันเป็นหญ้าคาและต้นเสือหมอบที่ขึ้นสูงท่วมศีรษะภายในอนาบริเวณประมาณหนึ่งไร่นั้นความเข้าใจของเสยไม่ผิดหรอกครับคุณชายขณะนี้มันยังอยู่ในนี้แน่เสยอ้อมไปตรวจดูทางไหลขาวด้านหลังโน้นแล้วไม่เห็นรอยว่ามันจะโผล่ทะลุออกไปและรอยเลือดที่เราตามมาก็มาหมดลงตรงนี้ แล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีบุกตามเข้าไปเลชยชยันถามระพินสันรีษะช้าช้าใช้ปากกระบอกปืนที่ถืออยู่ในมือเสยปีกหมวกให้พเพย์ขึ้นเล็กน้อยไม่เหมาะหรอกครับมันลกทุบเหลือเกินป่ายญ้าคาเสียด้วยถ้าแหวกเข้าไปเราไม่มีทางจะมองเห็นตัวมันในระยะห่างเกินไปวาเลยไปเอาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดดีกว่าครับแล้วเขาก็หันมาทางจันถามว่าจัน แกมีประทัดสําหรับจุดไล่ราวติดตัวมาด้วยหรือเปล่าจันค้นลงไปที่ยามเก่าๆซึ่งสะพายหลังอยู่อืดใจเดียวก็งัดประทัดขึ้นมาสองสามตับยิ้มแป้นมีครับนี่ยังไงดีแล้วแกกับเซอร์แยกกันไปคนละด้านจุดประทัดขึ้นคนละตับแล้วโห่ไล่ขึ้นให้เอ็ดทีเดียวนะพยายามหาไม้ใหญ่หรือก้อนหินกําบังไว้ด้วยอย่ายืนในที่โลง่งทั้งสองแยกกันออกไปเตรียมปฏิบัติตามคําสั่งของเขา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 ราวกับเข้าตอกแตกพงหญ้าอันสูมท่วมหัวบริเวณหนึ่งไหวรูยวบยญบอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงแผดคำรามลั่นอย่างดุร้ายและคนตื่นกลัวบัตรนั้นเองลูกซองอัตโนมัติและลูกซองแฝดของเชี่ากับชายยันก็ระเบิดสถานป่าประสานกันขึ้นอย่างสนั่นวันไหวเดาสุ่มเข้าไปในระดับต่ำของบริเวณที่เห็นหญ้าไหวและเสียงคำรามดังออกมาพริบตานั้นเอง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 พร้อมกันทีเดียวทั้งสองลำกล้องบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนเห็นแต่ก้อนหินริมผากระจายเป็นฝุน่นและคนอื่นๆก็ล้วนยิงด้วยความตะลีตะลานทั้งสิ้นด่วนร่างกายออกไปในขณะที่ปากกระบอกปืนยังไม่ทันจะจับเป้าเสียด้วยซ้ําไอกูดเมื่อเผนบุบรับหายเข้าไปในโขดหินใต้ชะงอนผาก็เงียบกริบไม่มีวี่แววว่าจะโผล่ออกหมายเห็นทางด้านใดเพราะโขดหินก้อนใหญ่นั้น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 ระพินยกแขนขึ้นป้ายเหงือบนหน้าผากหันมามองดูคณะนายจ้างของเขาซึ่งทุกคนก็กําลังจ้องมาเป็นตาเดียวเสี่ยงเหลือเกินระพินระยะเผาขนทีเดียวทั้งเราได้มันถ้าหากจะบุกเข้าไปดูราวกับว่ามันจะท้าให้เราคนใดคนหนึ่งเข้าไปไประจันหน้ากับมันตัวต่อตั ว, ตวหม่อมราชวงเชิฐาครางออกมาหลี่ตามองไปยังโขดหินก้อนนั้น อย่างนี้ไงไงล่ะที่เขาเรียกกันว่าเสือสั่งปาและพะพาสิเพิ่งจะเห็นสัญชาตญาณของเสือชัดๆคราวนี้เองเอากรมันสิชายยันร้องอย่างตื่นเต้นคราวนี้ผมเห็นจะต้องขอแล้วล่ะครับจอมผ่านพูดพร้อมกับยิ้มขึมขึมมองไปที่ชา ย, ยันแล้วเปลี่ยนมาจับอยู่ที่เชฐิฐาขออะไรขอเข้าไปจัดการกับมันเอง คุณชายคุณชัยยานและทุกคนเปิดคอยระวังตัวอยู่ในที่กำบังเท่านั้นเชษฐชาชัยยานดารินและทุกคนยอมจะเข้าใจสถานการณ์ในขณะนี้ได้ดีเกินกว่าที่จะต้องอธิบายอะไรกันมากแน่นอนที่สุดในภาวะเช่นนี้ไม่มีใครเหมาะสมเกินไปกว่าจอมพรานทั้งเชษฐาและชัยยานต่างก็ยอมรับกับตนเองว่าตราบใดก็ตามที่รพินไพวันอยู่ร่วมเหตุการ์ด้วยในสภาพเช่นนี้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 แต่ผมว่าเราใช้วิธีจุดประทัดไล่อย่างเมื่อกี้นี้ไม่ดีกว่าหรือชายยันแย้งมาโดยเร็วเชิงออกความเห็นอย่างเป็นห่วงมันตกใจเสียงก็เพ่นออกมาให้เรายิงอีกแหละดีกว่าที่คุณจะบุกเข้าไปประจันหน้ามันในระยะประชิดวิธีนั้นมันเสี่ยงเกินไปไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอีกแล้วครับคุณชายยานันต่อให้เราจุดประทัดหรือยิงปืนทําเสียงเออะอะสักเท่าไหร่